เป็นสว่า้าโตภกวตาธรรมโมธรรมะอันประภูมิประภักเจ้าปรัดดีแล้วสั้นดิธิโกอันภูปฏิบัติภูได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลา เอหิปัตสิโกควรเรียกให้มาดูโอปันญิโกควรน้อมเข้ามาและปัจจัตตังเวดิตะโบวินยูหิอันวินยูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตน ดังนี้ได้แสดงอธิบายพระธรรมคุณตั้งแต่บทต้นมาโดยลำดับจนถึงบทที่ห้าโอปัญิโกควร น, น้อมเข้ามาและจะได้เริ่ม แสดงอธิบายต่อในบทที่หกปัจจัตตังเวดิตะโบวินยูหิอันวินยูคือผูรู้พึงรู้เฉพาะต น, น, นพระธรรมคุณทางหกบทนี้ย่อมเป็นประธรรมคุณ ของธรรมะทั้งสิ้นที่พระภูมิพระภาคเจ้าตรัส ด, ดีแล้วธรรมะที่พระองค์ตรัสแล้วดีทุกข้อทุกบทย่อมเป็นพระธรรมคุณบทที่หนึ่ง และย่อมประกอบด้วยอีกห้าบท ด, ด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่จำเพาะหบดใดบทหนึ่งและพระธรรมที่พระองค์ตรัสดีแล้วนั้นก็ตรัสชี้ข้อปฏิบัติต่างๆอันเป็นปฏิบัติธรรมเพื่อผล ที่พึงได้พึงถึงตั้งแต่ในขั้นโลกยะเกี่ยวกับโลกจนถึงโลกุตระเนือโลกผลโลกคือมรรคผลนิพพานซึ่งเรียกว่าเป็นปฏิเวทคือเป็นธรรมะที่ พึงเจาะแทงด้วยความรู้แจ้งที่มักจะใช้เป็นคำแปลของปฏิเวตว่ารู้แจ้งแทงตลอดจนล้วนประกอบด้วยประธรรมคุณทั้งโปวงนี้ฉะนั้นความต่างกันแห่งบทประธรรมคุณจึงอยู่ที่พยัญชนะคือถ้อยคำ อันเป็นบัญญัติิโวหานซึ่งอาจที่จะบัญญัติขึ้นกล่าวเป็นภาษาคำพูดได้เฉพาะเจาะจงในแง่หนึ่งมุมหนึ่งฉะนั้น จึงต้องใช้กล่าวหลายหลาบทแต่ก็ย่อมมุ่งสู่เนื้อความเป็นอันเดียวกันรวมเข้าในพระธรรมคุณเป็นอันเดียวกันและยังมีบทอื่น ที่แม้พระพุทธเจ้าในตรัสแสดงไว้เองอันเป็นพระธรรมคุณอีกเป็นอันมากเช่นที่ตรัสเอาไว้ว่านิยานิโกเป็นธรรมะที่นำออกอุปัสสมิโกเป็นธรรมะที่นำให้เกิดความสงบระำรับ ปริณิบานิโกเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นดังนี้เป็นต้นฉะนั้นพระธรรมคุณหกบทนี้จึงเป็นพระธรรมคุณที่ยกขึ้นมาแสดง มากล่าวสรรเสริญมาสวดสาธยายจำเพาะบทที่มีเนื้อความสำคัญสำคัญเท่านั้นแม่บทอื่นที่มิได้ยกมาแสดงมาสวดสรรเสริญกันในหกบทนี้ จะหาว่าไม่สำคัญก็ไม่ได้ก็เป็นบทสำคัญด้วยกันทางนั้นแต่ว่าก็จำจที่จะต้องเลือกมาสำหรับกล่าวเป็นบทสืินเป็นบทสวดตามจำนวนที่เหมาะสมเท่านั้นและแม้ในบทที่หกนี่ ก็ย่อมมีอยู่ร่วมกับพระธรรมคุณที่แสดงมาข้างต้นทั้งหมดพระธรรมคุณที่แสดงมาข้างต้นทั้งหมดแต่ละบทก็ย่อมมีร่วมอยู่ในบทอื่นๆด้วยกันทั้งหมดเช่นเดียวกันดังที่กล่าวและในบทที่หกนี้ เจาะจงไว้ว่าอันวินยูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนนั้นก็มีอธิบายโดยย่อว่าที่ชื่อว่าวินยูคือผู้รู้นั้นก็นหมายถึงผู้รู้ จำพวกที่เรียกว่าอุคติตันยูรู้ทรรมที่เพียงแต่ยกหัวข้อขึ้นแสดงเป็นบุคคลจำพวกที่มีความรู้ไวและ เป็นวินยูคือผู้รู้จำพวกที่รองลงมาคือวิปจิตันยูรู้ทรรมต่อเมื่อแสดงอธิบายหัวข้อที่ยกขึ้นกับจำพวกที่ รู้ท้าเข้าอันเรียกว่าเนยยะคือพึงแนะนำได้คือต้องอธิบายแนะนำหลายครั้งหลายหนอันเป็นบุคคลที่รู้ทรทั่วทั่วไป วินยูคือภูรู้หมายถึงรู้ธรรมก็คือรู้ธรรมที่พระภูมิพระภาคเจ้าตรัส ด, ดีแล้วสามจำพวกดังที่กล่าวมาและก็พึงรู้เฉพาะตนคือจะต้องรู้ โดยตนเองไม่ใช่ว่าจะมีผู้อื่นรู้แทนได้หรือจะไปรู้แทนผู้อื่นได้อันผู้รู้ผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนนี้ก็เป็น หลักธรรมดาทั่วไปของความรู้ของทุกๆคนยกตัวอย่างเช่นความรู้ที่ได้จากการเรียนเช่นเรียนหนังสือเรียนวิทยาการต่างๆทุกๆคนก็ต้องเรียนเองต้องศึกษาเอง จึงจะรู้ตั้งแต่เด็กๆเป็นต้นมาฉะนั้นผู้ปกครองเช่นมันดาบิดาจึงต้องส่งลูกหลานเข้าโรงเรียนลูกหลานนั่นก็ได้รับอุปการะด้วยเสื้อผ้าตำราเรียนเครื่องเรียนอาหารเป็นต้นจาก บิดมารดาบิดาผู้อุปการะทั้งหลายแต่ก็ต้องเรียนเองมารดาบิดาผู้อุปการะทั้งหลายจะเรียนแทนให้ไม่ได้เด็กทุกคนต้องเรียนเองฉะนั้นแม้ความรู้ทั่วๆไปศิลตะศิลป ะ, ล ะ, ปะวิทยาการทั่วๆ่วไปก็ต้อง รู้จำเพาะตนดังที่กล่าวและเมื่อเรียนรู้แล้วจะไปยกเอาความรู้ที่ตนเรียนมานั้นให้แก่ผู้อื่นก็ไม่ได้ผู้อื่นเมื่อต้องการจะรู้ก็ต้องเรียนเองต้องศึกษาเองด้วยการอ่านการฟัง การคิดพินิษพิจรารณาและการปฏิบัติต่างๆด้วยตนเองของทุกๆคนจึงจะรู้ได้ในสิ่งที่ต้องการรู้นั้นๆแม้ในขั้นปฏิบัติก็เช่นเดียวกันต้องปฏิบัติในตนเองจึงจ ะ, จะรู้ ในธรรมะที่ปฏิบัตินั้นในสิ่งที่ปฏิบัตินั้นแม่ในการปฏิบัติทั่วๆไปที่เป็นสามัญก็เป็ น, น, นเช่นนั้นเช่นการที่จะใช้มือปฏิบัติเช่นเขียนหนังสือก็ต้องขัดมือให้เขียนหนังสือ และเมื่อหัดมือให้เขียนหนังสือมือข้างไหนที่หัดไว้ก็เขียนได้แต่มือข้างที่ไม่หัดก็เขียนไม่ได้เขียนหัดเขียนหนังสือด้วยมือขวาหัดมือขวาเขียนหนังสือก็ใช้มือขวาเขียนได้แต่ครั้นมาใช้มือซ้ายเขียนหนังสือมือใช้ไม่ไดหัดไว้ก็เขียนไม่ได้เหมือนอย่างมือขวาเพราะนั้น แม้ในการปฏิบัติของอวัยวะร่างกายก็ต้องอาศัยการฝึกหัดปฏิบัติกระทำแล้วก็กระทำไรจมเพะเหมือนกันแม้แต่มือก็ทำไรจมเพาะมือที่หัดมือที่ไม่หัดก็ทำไม่ได้ยิ่งเป็นการปฏิบัติที่ละเอียดขึ้นก็จะต้องฝึกหัดให้ยิ่งขึ้น และก็ทำได้เฉพาะตนเฉพาะตนหรือเฉพาะที่ปฏิบัตินั่นอีกเหมือนกันการเรียนให้รู้ก็เพื่อปฏิบัติถ้าหากว่ามาปฏิบัติก็ไม่บังเกิดเป็นผลขึ้นมาในทุกทุกอย่างทั้งในทางคดีโลกและทั้งในทางคดีธรรม ในทางกับดีโลกก็เช่นว่าเรียนรู้การสาไม้เป็นช่างไม้แต่ว่าไม่ฝึกปฏิบัติด้วยมือในกิจการช่างเห็นการใสาการตัดการเจาะเป็นต้นเพียงแต่เรียนรู้อย่างเดียวก็ทำไม่ได้ สิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นในโลกก็บังเกิดขึ้นจากการผูกขัดกระทาขึ้นและก็ในลงมือกระทําทั้งนั้นแม้แต่ในการหุงข้าวต้มแกงแม้ว่าเรียนรู้วิธีหุงข้าวต้มแกงแต่ไม่ลงมือหุงข้าวต้มแกงโดยตัวเองก็ทำไม่ได้เรียนรู้ในวิธีที่จะ ขับขี่รถจั ก, กรยานแต่ไม่ฝึกขัดขับขี่ด้วยตัวเองก็ขับขี่ไม่ได้พะ <c oughs> ฉะนั้นจึงต้องมีการปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติก็ยำรู้ในสิ่งที่ตนปฏิบัตินั้นมาถึงธรรมะที่พระภูมิพระภาคเจ้าปัิดีแล้ว ก็เช่นเดียเที่ยวเดียวกันที่แรกก็ต้องเรียนเพื่อรู้ว่าพระองค์ทรงสั่งสอนอย่างไรแม้เรียนเพื่อรู้ดังกล่าวนี้ก็ต้องเรียนในตัวเองเห็นต้องตั้งใจฟังทำรรตั้งใจอ่านหนังสือทำตั้งใจ ทองบนจำทรงตั้งใจเพ่งพินิษ์พิจารณาและคบเจาะดูทิฏฐิคือความเห็นอันได้แก่ทำความเข้าใจในธรรมะที่ฟังนั้นเหล่านี้ก็ต้อง เรียนรู้ดังกล่าวด้วยตัวเองเรียนแทนกันไม่ได้รล้วเรียนให้กันไม่ได้และเมื่อเรียนรู้แล้วถ้าเพียงเรียนรู้อย่างเดียวธรรมะที่พระภูมิมีพระภาคเจ้าตรัส ด, ดีแล้วนั้นก็คงตั้งอยู่ในความจำในความคดใจ ไม่บังเกิดเป็นธรรมะทางปฏิบัติขึ้นมาไม่เป็นศีลไม่เป็นสมาธิไม่เป็นปัญญาขึ้นมาเหมือนอย่างว่าเรียนรู้วิธีสร้างบ้านสร้างเรือน แต่ว่าไม่ทําการสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมาก็ไม่เกิดเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาทุกทุกอย่างก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปฏิบัติอันเรียกว่าภาวนาคือการทําให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมานี่คือปฏิบัติทําศีล ให้มีขึ้นมาเป็นขึ้นมาํำสมาธิให้มีขึ้นมาเป็นขึ้นมาทำปัญญาให้มีขึ้นมาเป็นขึ้นมาที่กายวาจาใจหรือจิตของตนเองเมื่อเป็นดังนี้ยึงจะเป็นธรรมะปฏิบัติขึ้นมาเพราะฉะนั้น การปฏิบัตินี้จึงมีคำเรียกว่าภาวนาไม่ใช่หมายถึงว่าการระลึกถึงด้วยใจหรือเปล่งวาจาสวดมดพุทธมนต์ต่างๆเป็นต้นดังที่เข้าใจกันโดยมากเรียกกันโดยมาก แต่ว่าภาวนานี้หมายถึงว่าทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นคือทำศีลสมาธิปัญญาให้มีขึ้นให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาขึ้นให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาดังที่กล่าวและเมื่อได้ปฏิบัติดังนี้ก็ย่อม รู้จเพาะตนที่ตนเองเมื่อตนได้ปฏิบัติมีหรือเป็นขึ้นมาอย่างไรและเมื่อได้รับผลของการปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติดังที่เคยแสดงมาแล้วตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นสูงสุดอันเรียกว่า ปฏิเวทรู้แจ้งแทงตลอดขั้นสูงสุดก็เป็นขั้นมรรคผลนิพพานก็รู้เฉพาะตนอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าข้อที่ว่าอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนนี่ไม่ได้หมายถึงว่า บอกกล่าวผู้อื่นไม่ได้ก็บอกกล่าวผู้อื่นได้ดังเช่นพระพุทธเจา้าได้ตรัสรู้ประธรรมด้วยพระองค์เองแล้วก็ได้ทรงแสดงธรรมะที่ตรัสรู้สั่งสอนแต่ก็ทรงสั่งสอนข้อที่ว่า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 ได้ทรงแสดงธรรมะที่ตรัสรู้สั่งสอนแต่ก็ทรงสั่งสอนได้ในธรรมะที่ควรสั่งสอนให้รู้แจ้งเห็นจริงทรงแสดงเหตุผลที่อาจรองตามมาเห็นจริงได้และก็ทรงแสดงมีปาฏิหาร คือเป็นจริงทุกอย่างและภูปฏิบัติพึงปฏิบัติได้จริงพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงสั่งสอนได้ดังนี้จึงเกิดเป็นพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสวากขาโตภกวตาธรรมโมธรรมะอันประภูมีประภัสดีแล้ว แต่ในการบอกนั้นก็คือบอกทางปฏิบัติเพื่อว่าผู้ฟังจะพึงรู้ทางที่ทรงบอกและปฏิบัติด้วยตนเองอีกเช่นเดียวกันเพื่อให้รู้ธรรมะ ที่ตรัสสอนนั้นด้วยตัวเองจึงจะเป็นผลที่ตนได้รับถ้าหากว่าไม่เดินไปตามทางที่ทรงสั่งสอนนั้นก็ไม่ได้บรรลุถึงธรรมะที่ทรงสั่งสอนไม่เห็นแจ้งธรรมะที่ทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้น พระองค์จึงได้ตรัสถึงพระองค์ไว้ว่าตถาคตเป็นผู้ิบอกท่านทั้งหลายต้องปฏิบัติด้วยตนเองยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนอย่างว่าบุคคลได้เดินทางไปเห็นรมณีนนสถาน คือสถานที่น่ารื่นรมใจในป่าเมื่อออกจากป่ากลับมาสู่บ้านก็มาเล่าให้เพื่อนฝูงญาติมิตรฟังได้ว่าในป่าที่นั่นที่นั่นมีสิ่งนั้นสิ่งนั้นที่น่ารื่นรมใจญาติมิตรเพื่อนฝูงที่ได้ฟังก็เข้าใจตามที่บอกแต่ว่า แต่ให้รู้เหมือนยังเห็นด้วยตาตัวเองไม่ได้ฉะนั้นเมื่อต้องการที่จะรู้ว่รณ า, ารินลมเพียงใดก็ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองไปดูด้วยตัวเองที่สถานถึงสถานที่นั้นและเมื่อเป็นดังนี้ก็จะได้ทราบได้เองว่า ค่อยคำที่ภูมากรบอกให้ฟังนั้นเป็นจริงเพื่งไรเมื่อเป็นจริงตามที่ภูมากกรเล่าให้ฟังก็ย่อมจะคิดหรือกล่าวขึ้นมาได้ด้วยตัวเองว่าเขาบอกจริงแม่ประสาวก ของพระพุทธเจ้าตั้งแต่อดิตการมาจนถึงเราทั้งหลายในปัจจุบันก็ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตัดแสดงถึงธรรมะที่ได้ตัดสรู้แล้วและแสดงถึงผลต่างๆที่พระองค์ได้ทรงรับมา และภูที่ปฏิบัติตามทางที่พระองค์ทรงปฏิบัติจะพึงได้ต่างๆดังเช่นลัดแสดงถึงมักมีองแปดอันเป็นทางนำไปสู่ความตรัสรู้ในอริยสัจทั้งสี่ นำไปสู่วิชาวิมุตต์พ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นเป็นบรุสุขดังที่ตัดแสดงไว้ว่านิพพานเป็นบรุสุขเป็นสุขอย่างยิ่งท่าพุทธเจ้าได้ตัดแสดงบอกเอาไว้ดังนี้บรรดาเราทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้ฟังธรรมะที่ทรงสั่งสอนก็ในความรู้อันเกิดจากการฟังการเรียนและก็เมื่อกำหนดก็จดจำได้เมื่อพิจารณาก็มีความเข้าใจในธรรมะที่ทรงแสดงแต่ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติคือไม่ดำเนินไปตามธรรมะที่ทรงแสดง มักมีองแปดก็ไม่รู้จักมักมีองแ์ดนี้ทางปฏิบัติและไม่รู้จักอริยสัจสี่ตามที่ทรงสั่งสอนซึ่งจะเกิดปัญญาญาณรู้เห็นขึ้นได้จริงก็ต้องดำเนินไปในมักมีองแปดไม่ได้พบความสิ้นกิเลสกองทุก ไม่ได้พบบรมสุขฉะนั้นเมื่อต้องการที่จะให้ได้มีความรู้ในธรรมะที่เป็นสวาขาธรรมตามที่ตัดแสดงจึงต้องปฏิบัติไปตามมรรคมิองแปดและก็ยอมจะได้รับผลของการปฏิบัติอันเป็นผลในฝ่ายดับความรับแค้นดับทุกข์ ขึ้นโดยลำดับและก็จะรู้เห็นในผลที่ตัวได้รับนั้นด้วยตัวเองและก็ได้มีแสดงถึงท่านภูที่ได้บรรลุถึงผลที่สุดเป็นวุญบาสุขตามที่ดาษสั่งสอนจึงได้เปรีงอุทานขึ้นว่าอาโหพุท โ, อโทอโหธโมอโหสังโคโอหนอพระพุทธเจ้า โอ๋พระธรรมโอ๋นอพระสงฆ์สมะุทธเจ้าตรัสะรู้ดีถูกต้องจริงธรรมะเป็นสวัสดิธรรมจริงประสงค์ปฏิบัติดีจริงดังนี้ซึ่งเป็นการรู้ตามพระพุทธเจ้าแต่ว่าการรู้ตามพระพุทธเจ้านั้นก็ต้องหมายความว่าปฏิบัติไปตามทางที่ทรงสั่งสอนตามทางที่ได้ทรงปฏิบัติแล้ว ยังได้รู้ได้เห็นแล้วก็ได้รู้ได้เห็นด้วยตัวเองเฉพาะตัวเองอีกเหมือนกันแต่ก็อาจจะมาบอกกล่าวเล่าความแก่ผู้อื่นต่อไปได้ดังที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจา้าได้ทรงนำพระพุทธศาสนาสืบต่อมาโดยําดับเกิดถึงปัจจุบันท่านก็มาเล่าต่อๆกันมา สอนต่อๆกันมาถึงเราทั้งหลายแล้เราทั้งหลายจึงได้รู้ทำตามที่ท่านสั่งสอนและก็ไปปฏิบัติทำกันไปตามสติปัญญาสามารถแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องรู้เห็นด้วยตัวเองต้องปฏิบัติเองแม้ในการเรียนก็ต้องเรียนเองรู้เองปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเองผลไ ด, ได้รับคนได้รับเองแต่ก็บอกกล่าวกันให้ผู้อื่นเรียนปฏิบัติ ต่อไปได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงสมควรที่จะได้ตั้งใจฟังตั้งใจเรียนตั้งใจปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจา้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้และเมื่อปฏิบัติก็ย่อมได้รับผลทันทีอันเป็นผลของการปฏิบัติแต่ว่าก็ต้อง ใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้จักเมื่ออะไรเป็นผลต้องธรรมบัติอะไรเป็นผลของกิเลสดังที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้ น, ตนและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะทำให้เพิ่มความรู้จริงในเหตุและผลยิ่งขึ้นด้วยตัวเองทำให้เจริญในธรรมบัติยิ่งขึ้นในตัวเองต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป